เช้าวันนี้ก็เป็นบัครเนานะขึ้นขึ้นสิบห้าค่ำก็พระจันทร์เต็มดวงนะเราก็ได้เดินประมาณร่วมๆครึ่งเดือนพอดีนะนะตอนที่เราออกเดินก็ขึ้นหนึ่งคำวันนี้ก็ขึ้นสิบห้าคำก็ในหะ้พวกเราได้ อาจจะมีเวลาอีกไม่มากในการเดินทางนะก็หรือบางคนก็อาจจะไปก่อนก็ตามเหตุตามปัจจัยเนาะแต่จริงการเดินทางการปฏิบัติธรรมมันก็การทุดดมก็เป็นเพียงแค่รูปแบบหนึ่งเนาะแต่ที่จริงเราก็สามารถปฏิบัติธรรมได้ในชีวิตประจบวันของเราอยู่เสมอ แม้บางทีเราไม่ได้อยู่กับครูบาอาจารย์ไม่ได้ฟังธรรมแต่ก็ไม่ใช่ว่าเราจะปฏิบัติธรรมเราจะเจริญก้าวหน้าในธรรมไม่ได้นะเพราะบางคนถ้ายึดติดยึดติดกับแต่กับครูบาอาจารย์นะนะคอยห่วงคอยคิดก็ไม่เจริญก้าวหน้าเหมือนกันอย่างสมัยพุทธกาลนะ มีพระรูปหนึ่งนะชื่อพระวักกะลิคอยแต่ดูพระพุทธเจ้าคอยแต่ตามพระพุทธเจ้าฟังธรรมก็หลงหลงในรูปหลงในเสียงมีปิติที่ได้เห็นที่ได้ฟังที่จะอยู่ใกล้พระพุทธองค์แต่พระพุทธเจ้าท่านก็ไม่ได้สรรเสริญคนแบบนี้นะ ถ้าบอกแม้เกาะชายผ้าเดืองของเราอยู่ก็เธอก็ไม่สามารถรู้ทมได้หรอกเพราะว่าเธอปพ้่มแค่ภายนอกของเราเนาะแต่ไม่ได้เอาทมไปปฏิบัติไม่ได้เอาไปประพฤติมันก็ไม่เกิดประโยชน์ทั้งนั้นการการที่จะศึกษาธรรมะนะ ไม่ใช่เพียงแค่การได้อยู่ใกล้หรือการได้พบเห็นบงคนถ้าอยู่ใกล้หรือพบเห็นแล้วเกิดการยึดติดถือมั่นก็ไม่เกิดประโยชน์เลยนะยิ่งเกิดโทษยิ่งยิ่งยึดติดมากขึ้นหรือเป็นทุกข์มากขึ้น น, นั้นทำทั้งหลายนะเป็นไปเพื่อความไม่ยึดมั่นถือมั่น อย่างพระพุทธเจ้าท่านสรุปไว้สัพเพธรรมานาดังอภินิเวศายะนะทำทั้งลายทั้งพวงไม่ควรยึดมั่นถือมนะั่นนั้นการภาวนาจริงๆต้องเป็นไปเพื่อการเพื่อกา ร, การคลายนะหรือว่าเป็นการเลิกนะการยึดมั่นถือมั่นในสิน่งตานะ่างๆแต่เดิมแรกก็ต้องอาศัย ที่พึ่งนะอาศัยข้อปฏิบัตินั่นแหละนะที่เป็นกุศลธรรมนะก็ต้องอาศัยนะการเจริญกุศลก็ต้องอาศัยการละกุศลนะต้องเจริญสติให้มากขึ้นจะเดินะสมาธิให้มากขึ้นนะแต่เพียงแต่ ว, ว่าทำไปด้วยความไม่ยึดมั่นถือมั่นนะทำไปเพียงแค่สักแต่ว่า รู้นะรู้ดูเราไม่ยึดนยะเช่นมีปิติเกิดขึ้นนะบางทีเดินไปมีปิตินั่งไปมีปิตินะปิติเกิดขึ้นแนะต่เราก็ไม่รู้ว่ามีปิตินะแต่กับคนที่เข้าไปอยู่ในปิติเนะี่ยต่างกันนะเหมือมนเราเดินผ่านต้ตนไม้ร่มเย็นสบายดีนะ ถ้าเราติดใจนะเราก็จะอยู่กับร่มไม้ตอนนั้นไม่เดินทางต่อแต่ถ้าเรารู้ว่าอ้อเดินผ่านร่มไม้ก็ต้มเย็นสบายดนะีแต่เราก็รู้ว่ากิจของเราก็คือต้องเดินทางต่อกนะ็อไปนะแม้ตรงตรงร่มไม้ตรงชายน้ำจะเย็นสดชื่นนะ แต่เราก็ยังต้องเดินทางต่อทำที่เกิดขึ้นในใจของเราก็เหมือนกันนะบางทีแม้อยู่อยู่ตรงนี้มันมีความสุขมันดีมันมีปิติหรือมันชอบแต่ถ้าเรายึดติดในตรงนั้นก็คือเราไม่สามารถที่จะผ่านไปได้นะก็ติดอยู่แค่ตรงนั้นก็นไม่ก้าวหน้าไดที ถ้าถ้าภาวนาแล้วก็ยังติดอยู่ก็ยังถือว่าเป็นตัวเนื่นช้าหรือบางทีถ้าแกะไม่ออกละไม่ได้ก็ยิ่งไม่ก้าวหน้าไปเลยน ะ, นะยิ่งเหนียวยิ่งแน่นไป น, นั้นเราภาวนาเราต้องดูว่าอะไรเป็นความยึดติดถือมั่นนะมันก็คือเหตุทำให้เกิดความทุกข์นะ แม้ตอนนี้เรารู้สึกว่ายึดแล้วมันไม่ทุกข์นะแต่เราแน่ใจใได้เลยว่าน่ะถ้ามันมีเหตุที่ทำให้มันมันไม่สามารถที่จะยึดได้จริงๆเนี่ยมันก็ทุกข์นะเช่นถ้าเรายึดตัวบุคคลถ้าตัวบุคคล น, นั้นน่ะเขายังมีความ มีร่างกายที่แข็งแรงหรือยังอยู่ในโลกนี้เนาะเราก็ยังพึ่งเขาได้อยู่บ้างแต่ถ้าวันหนึ่งถ้าเราเคยคิดเขาจนจนยึดเหนี่ยวถือมั่นหรือผูกพันมากนะถ้าบุคคลนั้นเขาเสียชีวิตไปเขาตายไปหรือเขาเปลี่ยนไปความทุกข์ก็เกิดขึ้นในใจของเราแน่นอนเพราเรายึดติด แค่ตัวบุคคลดังนั้นที่จริงพระพุทธเจ้าถ้าไม่สอนให้เรายึดติดในตัวบุคคลเนาะแม้ท่านสอนว่าเออถ้าใครน่ารืถึงพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เป็นที่พึ่งเนี่ยก็จะพ้นจากทุกข์ทั้งพวงได้หรือใครมีกันยาณันมิตรดีเนาะก็จะชี้ก็จะเป็น คนที่นําพาไปสู่ความทุกข์ได้นะแต่คําว่ากาันยานมิก็คือว่านเป็นเป็นคล้ายๆเหมือนเพื่อนร่วมเดินทางนะหรือว่าเป็นเพื่อนที่เดินไปข้างหน้าแล้วก็บอกทางที่จะเดินต่อ น, นี่คือกันยานมิคือแต่ไม่ใช่ว่านะไม่ใช่ว่าเราเพียงแค่ชื่นชมสรรเสริญเท่านั้นแต่สิ่งนั้นคือเราต้องเดินทางต่อนะ เราต้องเดินตามทางที่ท่านเคยเดินมาก่อนอันนี้ถึงจะเป็นทางที่จะทำให้เราพ้นจากความทุกข์ได้ที่จริงการภาวนาเนาะเราจะเดินทางด้วยกันหรือว่าไปอยู่ในคนละที่เนาะมันก็อยู่ที่การที่เราฝึกฝนตัวเองนั่นแหละถ้าเราเห็นกายเห็นใจของตัวเองนั่นแหละ คือการภาวนาเห็นแล้วไม่ยึดเห็นแล้วไม่ติดเห็นแล้วผ่านอะไรจะเกิดขึ้นมาก็แล้วแต่ไม่ว่าจะดีไม่ดีนะหรือเป็นกลางๆก็แค่เห็นนะเห็นแล้วก็ก็ผ่านไปเห็นแล้วก็ผ่านไปนะอะรจะดีไม่ดีมันก็เป็นเรื่องของมันนะไม่ใช่เรื่องของเรานดีก็ดีก็บังคับ ไม่ได้ไม่ดีก็บังคับไม่ได้นะมันเกิดตามเหตุตามปัจจัยนะนะมันมีเหตุมันก็เกิดมันหมดเหตุมันก็ดับนะบังคับไม่ได้นะการภาวนาไม่ใช่เป็นการบังคับให้เกิดแต่สิ่งที่ดีนะไม่ให้เกิดสิ่งไม่ดีนะนะแต่เราคือทำเหตุนะเหตุในการเพียงแค่รู้นะ รู้อย่างที่มันเป็นรู้ทันกายรู้ทันจิตนะรู้ทันความคิดนะรู้ทันอารมณ์ต่างๆถ้าเราไม่รู้ทันนะเราจะยึดติดถือมั่นเราจะหลงกายถ้าเราไม่เห็นกายเราก็จะหลงกายหลงกายของตัวเองก็ดีนะหลงกายของคนอื่นก็ดีห ล, ลงความคิด หลงความรู้สึกหลงความคิดก็เป็นเยอะนะคิดวิเคราะห์วิภาษ์วิจารณ์คิดเอาเหตุเอาผลก็เดินไปก็คิดไปก็ไม่ได้เป็นการเดินแบบรู้สึกตัวนะเดินไปก็ไปอยู่ในความคิดก็ไม่ต่างจากการเราอยู่บ้านนั่งกินกาแฟก็คิดไปกินข้าวก็คิดไปขับรถก็คิดไป เดินธุดงแม่แบบของหนักแต่ถ้าเดินอยู่กับความคิดนะก็ก็ไม่ื่อว่าเป็นการนะได้เดินธุดงจริงๆนะอยู่กับอารมณ์นะที่สุขที่ทุกข์ก็เหมือนกันนะไปหลงอยู่กับอารมณ์ที่สุขที่ทุกข์กนะก็คือการหลงหลงหลงในที่นี้คือหลงไม่รู้ทั น, นไม่รู้ทันว่าเรา ไปจมกับอารมณ์ต่างๆนัการภาวนาจริงๆเนี่ยเพื่อให้เราเน่ยเท่าทันเน่ยเท่าทันความรู้สึกที่เกิดขึ้นในกายในใจนะใจโดยเฉพาะตัวใจเนี่ยตัวความคิดตัวความรู้สึกตัวอารมณ์ต่างๆเนี่ยมันเกิดขึ้นมาที่เห็นเห็นแล้วก็อย่าไปเป็นกับมันเห็นมันเป็นเพียงแค่อาการนีเป็นเพียงแค่ สภาวะที่มันเกิดขึ้นของมันเองเราก็ดูมันเมื่อเราดูแล้วเราไม่ไปปรุงแต่งกับมันมันก็จะดับไปของมันเองยิ่งไม่ปรุงแต่งได้เร็วเท่าไรมันยิ่งดับไปเท่านั้นแต่ยิ่งเผลอไปปรุงแต่งมากเท่าไร่เรื่องราวก็ยิ่งมากไปเท่านั้นมันยิ่งยาวไปยิ่งยืดไปน อันนี้ถ้าเราดูดีดมันจะวางใจดีๆแล้วจะเห็นเห็นใจมันเกิดขึ้นดับลงบ่อยมากอารมณ์ต่างๆเกิดขึ้นเปลี่ยนแปลงไปเร็วมากแต่ถ้าบางขณะมันไม่เห็นมันไม่เด่นที่ใจมันก็เด่นที่กายก็ได้บางทีก็บังคับไม่ได้นะเรียว่า ไ, ไม่ใช่ว่าบางทีหรอกมันเป็นสิ่งที่บังคับไม่ได้น ะ, นะจิตมันจะดูจิตหรือจิตมันจะดูกาย ก็บังคับไม่ได้นะมันเป็นเรื่องของสตินะที่มันเป็นของมันเองนะบางขณะจิตมันก็อยากจะมันก็ดูร่างกายนะเป็นสมาธินะเป็นกำลังที่สติ<า>กำลัง ค, อคอ่อยๆก่อตัวพัฒนาขึ้นก็มีนะบางขณะมันก็เน้นเจริญปัญญานะมันก็ดูความคิดหรือความรู้สึกเกิดขึ้นดับลงนะของมันเองนะ ดูเหนื่อยดูพอสมควรมันก็เปลี่ยนมาดูกายของมันเองดูกายไปเรื่อยกำลังสมาธิกำลังสติมันมากขึ้นมันก็เข้าไปดูเข้าไปดูจิตของมันเองอันนี้จิตหมายถึงว่ารวมถึงเวทนาที่เกิดขึ้นในจิตเลยนะบางทีเวทนาเนี่ยก็มีทั้งสองส่วนเวทนาส่วนของกายก็มีเวทนาส่วนของจิตก็มีเวทนา ส่วนของกายเป็นความปวดความเมื่อยความเจ็บนะความร้อนความหนานะวเวทนาที่เกิดขึ้นกับกายนะสนะ ต, ติก็เข้าไปดูความันเองเนะนะวทนาที่เกิดขึ้นกับจิตสุขทุกข์หรือเฉยนะก็ดูมันก็เห็นมันด้วยนะขนาที่เจ็บจิตใจทุกข์หรือจิตใจสุขหรือจิตใจเฉยนะนะ ขนาดที่ร้อนจิตใจทุกข์หรือสุขหรือเฉยมันก็จะเห็นถ้าเห็นนะมันก็มันจะเป็นอะไรก็แล้วแต่นะนอจะเฉยหรือจะทุกข์ถ้าเห็นแล้วมันก็จะดับไปเท่านั้นแหละนะเราก็ดูมันนดูมันถ้ามันดูได้มันก็ดูถ้ามันดูไม่ได้มันก็กลับมาดูกายของมันเองก็ไม่ผิด สติปฐานสี่ฐานกายเวทนาจิตธรรมเนะี่ยถ้าเราเดินในทางตัว น, นี้ชืสส่อว่าเราเดินตามอริยมรรคมีองค์แปดเนานะไม่ว่าเราจะทำอะไรก็แล้วแต่เนะี่ยอันนี้คือหลักสำคัญจริงของนะของการเดินทางเพื่อออกจากความ ท, นะทุกข์เนาะการเดินทุ ด, ดงเป็ น, เ, ปนเพียงแค่รูปแบบนะให้เราได้เราเนะีย แล้วสภาวะในการได้เห็นตัวเองมากขึ้นเพออราะ่าใดเราพยายามเดินอยู่กับคนเดียวทำไมครูบาอาจารย์สมัยก่อนท่านเดินทวดงเดินรูปเดียวเดินในน้อยเพราะว่ า, า, วาอาศัยความสงบสงัดของธรรมชาตินะามาช่วยทำให้จิตมันมีสมาธิถ้าเดินกันเป็นหมู่เป็นคณะมันก็อาจจะ พูดคุยกันหรือว่าก่อความรบกวนซึ่งกันและกันนะก็เป็นการทำลายสมาธิตัวเองทำลายสมาธิของเพื่อนนะไไไไนะันะนะ้นครูบาอาจารย์ท่านก็นเน้นให้เราพยายามเดินอยู่กับตัวเองแล้วก็สัมผัสกับนะความสงบจากการเดินคนเดียวนะจากการอยู่กับธรรมชาตินะก็จะทำให้จิตใจมีสมาธินะ ต้องสัมผัสเนี่ยความสงบจากภายนอกก็ช่วยให้เกิดความสงบภายในใจของเราเนี่ยมันเป็นตัวช่วยหรือหรือบางขณะมันทุกข์ทุกข์เพราะเหนื่อยทุกข์เพราะหนียวทุกข์เพราะขึ้นเขาทุกข์เพราะลงห้วยเนี่ยมันก็เป็นสภาวะที่ร่างกายมันทุกข์มันก็บีบพัน จิตใจอาจจะกระสับกระส่ายนะกระบวนกระวายสื่อแสดงอารมณ์อะไรเกิดขึ้นมาเราก็เห็นมันนะนี่คือมันก็จะเห็นได้ชัดขึ้นนะเวลาบางทีเหนื่อยอาจจะโกรธง่ายนะเวลาหิวก็อาจจะรู้สึกหงุดหงิดนะฟุ้งซ่านนะหลงไปฟุ้งซ่านฟุ้งแต่งอยากกินนั่นกินนี่คิดนั่นคิดนี่อะไรนะนะนะ หรือบางคนบางขณะเดินไปเพลินก็อาจจะเพลินนะเพลินสุขนะเพลินสบายนะเพลินปิติไปนะมันก็จะเป็นความลมที่เกิดขึ้นได้เหมือนกันนะก็ให้เราในพยายามเดินดูตรงนี้แนะพยายามเดินดูตัวเองอยู่กับตัวเอง เห็นอะไรที่มันเกิดขึ้นในกายในใจก็เห็นแล้วก็ละมันไปนะอย่าไปยึดติดถือมั่นนะทั้งภายนอกทั้งภายในนะเห็นแล้วก็ผ่านมันเป็นเพียงแค่อาการเท่านั้นแหละนะจะเอาเป็นที่พึ่งจริงๆไม่ได้หรอกที่พึ่งที่แท้จริงต้องอาศัย ธรรมะในตัวเราเองนั่นแหละถึงจะเป็นที่พึ่งที่แท้จริงได้ที่พึ่งภายนอกนี่ไม่มีใครจะพึ่งกันได้จริงๆหรอกมีแต่ต้องพึ่งตัวเองจริงๆพึ่งธรรมะที่เกิดจากการภาวนาของเราเองอาศัยการได้ยินได้ฟังอาศัยการได้อ่าน อาจใส่กันญานมิตรนะแต่อย่าไปยึดติดนะยึดติดการได้ยินได้ฟัง ย, ยึดติดการได้อ่านยึดติดกันญานมิตรก็เป็นมันก็ทําให้เราเนิ่นช้าแล้วก็ไม่ก้าวหน้านที่ทีนต้องต้องทําความเพียรด้วยตัวเองให้มากๆถึงจะเกิดผลด้วยตัวของเราเองแล้วเราจะดูเองว่าที่ยิงที่พึ่งจริงๆคืออ๋อใจเราเนี่แหละนะ ใจที่มีสติมีสมาธิ ม, ม, าธมีปัญญาเนะี่ยถึงเป็นที่พึ่งได้อย่างแท้จริงถ้าใครได้ที่พึ่งแบบนี้นะไม่ว่าคนะูวาจารย์จะละสำคัญไปจะจากไปนะโลกจะเปลี่ยนไปแบบไหนนะมันก็ยังรู้สึกว่าเรายังมีที่พึ่งนะพึ่งใจของเราเองได้นะ มันก็จะมองเป็นธรรมชาติการเกิดการดับการอยู่การจากนะมันก็เป็นตามเหตุตามปัจจัยเป็นไปนตามธรรมชาตินะก็ไม่โยวยวายก็ไม่ทุกข์ใจนะแม้จะเสียเสียได้บ้างไม่จะอะไรบ้างแต่ก็ไม่ใช่เป็นเหตุทาให้เกิดความทุกข์ใจเศ้าใจนะพอรู้ว่าที่พึ่งจริงๆก็มันอยู่ที่ตัวของเราเองแล้วเนี่ย อันนี้คือสิ่งที่สำคัญที่สุดนะของการภาวนาเนาะก็ฝากพวกเราไว้